มีศาสนาประจํากายประจํามาจาประจําใจคนนั้นจะไปในทิศใดทางใดในลุคสมัยมีผู้คนประชาชนทุกชาติทุกประเทศเป็นอิยอมชนชอบเพราะเหตุใดเพราะศาสน า, าสอนคนให้เป็นคนดีมีคุณค่าศาสนาสอนคนให้ซื่อสัตย์สุจริตสอนคนให้ มีเหตุตามกันมาต่อกันมีนเหยดเบี่ยงกันเรื่องของศาสนาขึ้นของศาสนาชาวโลกทั่วไปถูกสนใจใส่คิดตามเรื่องของศาสนาจะาาเป็นเคราว่าก่อนมีความสุขในเขตของตนองาศาสนาไม่อ้สอนต่มับผลนิพพานเท่านั้นสอนประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ ชาติหน้าประบยน์ารงยืมถ่ายสอนทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับอยู่้นใจควนที่จะบังคับปฏิบัติอย่างไรแต่คนสมัยปัจจุบันที่วันนี้ด้คนใดในวะันนี้โอกาสเวลาเฉพาะแรงยืมขนนักศึกษามากจากเกาต่าวตูดดยหนึ่งศาสนาะบัคคือล่าสมัยหรือว่าศาสนาะ เป็นของมันมีคุมค่าเรื่องเหล่านี้เนื่องจากจิตใจของเขามันมีคุณค่าหาสาระอะไรในด้น่งขเลยกล่าวตูดีหนึ่งเรื่ององศาสนาหากมาที่เจรม า, นาเรื่องของศ า, ศ า, ศาสศาาน า, นาสี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนเอาไว้ก็ไม่มีอะไรที่จะขัดกับสังคมไม่มีอะไรที่จะล้าสมัยเพราะจิตใจของพวกเราท่าน ยังมีที่เหลือปัญหายอยู่หน่วนคนที่ป่วยยาจำเป็นที่คนป่วยจะนํามารักษาเพื่อถอดขันร่างกายของคนนั้นจะได้หายจากป่วยมีความสุขความสบายทําการงานได้สะดวกหากคนป่วยถือว่ายาเป็นของจำเป็นสําหรับเขาคนป่วยคนนั้นก็รจะมีทางที่จะรอด ตายไปได้ฉันใดเรื่องของศาสนาที่พวกเราท่านควร น, นํนนนามาคิพิจารณาสอนกายใจของตนขอทํานองเดียวกันหากคิว่าตาสนาคือล่าจะไหมก็ไม่ ม, มีทางที่จะทำกา ย, ท, กายทําใจของตนให้มีวิเศษได้มีใจใจชื่อเะไรชื่ออะความเยหะแยะยุ่งจิตใจให้เต็มไปตาม ทางชั่วทางเสียทางต่ำเลื่อยไปแต่นั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสําคัญถือเราทุกท่านควรที่นี้พิจารณาไม่ใช่ศาสนาเป็นของเข่ของลาจะไหมตามเลมปากของคนหากคนกระเพิ่งปฏิบัติตามเรื่องของศาสนาจะมีความสุขความสบายความเยือกเย็นเลอะขุ่นวนไปเบื่ อ, ร, อร้อนวุ่นวาย อยู่ในปัจจุบันก็เพราะคนขาดเรื่องของศาสนาเพราะธรรมะของอระพุธทธเจ้าสอนให้มีเมตตาตูณาสามัคคีมันสอนคนให้ทเลาะเบาะแว้งกันมันสอนคนให้อิจฉาทุรดาบาดกันตลอดจึงสอนประโยชน์ปัจจุบันอุทษานในสัมปทาญให้มีพวามม่นสร้างขยันในจิตการหน้าที่จะทําการงานอะไรท่าหักเอาใจใส่มันขยัน การงานเหล่านั้นก็จะจะเจรียนรู้ล่วงไปถึงจุดหมายปลายทางน่ะเหยียดทา่าดไม่เอาผ่านในการงานไม่ว่าทางาา ด, ด้านพระพุทธศาสนาปฏิบัติได้วายจ้าใจฟุ้งปนเพื่อมรรคผลหรือทางโลกเพื่อบกครูฟุ้งปนค น, นนั้นก็จะไปในรอดต่ที่ยากลำบากก็ขาดความหมั่นความขยันีเรื่องของาศาสนาะสอนอย่างนั้น สอนให้คนมีปัมขยนมมันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานของตนในสอนคนให้เยกยบค้าอาักขาจังปัาถึงท้อมในการรักษาเมื่อเราหมาั่นขยนันหาทับต์สบัดมาได้ไปรักษาสิ่งของที่ได้มาจะมีทางเสียหายดังนั้นท่านผสอน จะมีอายรข่ายสำปทาคือก า, ารรักษาสิ่งของถูกปัญหามาได้ยิ่งสิ่งของมีคุณค่ามากเท่าไรก็ยิ่งรักษาดีข่อย น, นี้โดวยวนใหญ่พวกเราก็คงเข้าใจกันเพชรพลอยเงินทองต่างๆรู้สึกว่าเกิดไปรึสิง่งของที่มีคุณค่าสาระเราเก็บไว้จะ ง, งอกบานจะได้เพราะคนอื่นขเขาเห็นในสิ่งของมีคุณค่าเขาก็ไม่ปล่อยจะ สนใจไม่เคยอยากหน้า้าเขามีคุณค่ามากๆเขาไปเห็นเข้าเขาก็อยากจะต้นจะที่จะขโมยเอาไปจะนั้นทันที่สอนเรื่องอารักษ์คือการรักษาสมบั ต, ติของตนที่หามาได้สำนั า, าชีวิตตาเรื่องชีวิตก็ต้ ได้ของตนไม่จับจ่ายใช้สอยมากเกินเหตุเกินผลของจําเป็นยิ่งไปใช้จ่ยายาไปได้มาน้อยจ่ายได้มากมันจะไม่มีทาที่จะเหี้ยหรอ น, น ม, นนม่จะทายจะเป็นหนี้เป็นสนเลื่อยไปแต่ทุกแต่จนเลื่อยไปแต่นั้นคันจึงแต่ใช้จ่ายาพอสบควรจะรได้ได้ในฟืนเฟยเดี๋ยวว่ะ มาดีิตากรลยา้นแต่ตาก็เพื่อนครับที่เกี่ยวข้อมเป็นคนดีแบบพบนักเรียนต่างๆซึ่งไปนําใส่ตัวเสียหายไปมีเป็นประโยชน์ปิดจุบันคนใดต่างอาะต่างตาทำมาท้ายกินตามสื่พระพุทธเจ้าตรงเนี้ยนำคาสอนแล้วคนนั้นจะมีทรับเ์้มบัติพอเป็นพอไป ไม่อวดอยากอยากจนแต่คนไดไม้เฉลียวังําสอนของพุทธเจ้าตอนนี้หน้าที่การงานสูงเด่นขนาดไหนแต่การใช้จ่ายหรือการรักษาการพบเพื่อนไม่ดีให้จะ น, นีทาที่จะเสียหายปนตีไปสำหรับสมบสัติฉะนั้น ท, าท่านจึงให้เลือกคัดหาบุคคลที่เป็นกัรยาณ น, นั้นคือคนดีมีศีลีธรา พระพุทธเจ้าสอนเขาว่าทา่านควสอนใจแบบหนึ่งสอนที่สื่อสารมาเนินนักบวชทา่านสอนใจแบบหนึ่งตามฐานาหน้าที่เรื่องธรรมะจึงเป็นของดีไม่มีอะไรที่จะคืดล้าสมัยตามลงปากของคนหากคืดตัวคืดปฏิบัตนะิตามธรรมะต่างคนต่างรักษากายวาจาของคนตลอดจิตใจ อันนี้ก็จะในเดือดร้อนวุ่นวายเพาะต่างคนต่างเห็นใจกันชีวิตของเราเห็นแห่งอย่างไรสมรรถของเราเห็นแห่งอย่างไรก็ชิดชิงโอเคเห็นใจคนอื่นเขาถ้าหากเขามารุ่งเกินตัวของเราแบบนั้นเราจะเสียใจไหมใครคิดชิงที่จะใจเนี่ยถ้าเราได้ทํากับเขาก็ทํา่องเดียวกัน เขามาทํากับเราเราเสียใจเราก็นหนูควรที่จะไปทํากับเขาสู้กับเขาในสิ่งที่ชั่วที่เสียนันะ้นเมื่อทุกท่านรักษาไน้เข้าใจเรื่องของาศาสนาโรกอันนี้ก็สงบเยือกเยอนไม่เป็นเรียนเป็นใครแก่กันเพราะทุกคนเห็นอกเห็นใจกันาศาสนาจึงเป็นเรื่องสําคัญจิตควรระลึกรึกชิ ควรฝึกกายฝุกจิตของตนให้ได้รับรสชาติของศาสนาผู้ผู้มีอัตธรรมไปจำตัวคือผู้ประพฤปฏิบัติศาสนาผู้มีธรรมะอยู่ในตัวคือผู้รักษาศาสนาฝูกศึกษาศาสนาผู้ที่ไม่มีธรรมะมีแต่ลมปากสอนเขาเ้าไปแต่ตนเอนประพฤติชั่วประพฤติเสีย คำสอนเป็นอย่างหนึง่งแต่การทําการพูดเป็นไปอีกอย่างเมื่อตัวอย่างนี้ใครเล่าเขาจะเชื่อถือสอนถูกจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ให้ เ, เ, เ, กก เ, เ, เหมือนกักเรียนสุลาจิ้นเล่าเมาทุกการทุกเวลาแต่ไปสอนจนอื่มจ้าจิ้นเหล้ากิ้นย้าเป็นทางไหนดีไม่ชอบอย่า ง, า ง, างนั้นดยงนี้เขาไม่เชื่อไม่ นับถือเพราะเหตุใดเพราะถาทำไมดีทําไมใจจริงจริงู่เขาจะไม่นับถือคําสอนของคนแบบนั้นนอกจากนั้นคนที่นับถือศาสนาต้องปฏิบัติตนแบบพิมพอันดีแกบบ่คนอื่นเขาเรารู้เราพอใจในพางศาสนาอย่างไรประพฤต์กายใจของตัวอย่างนั้นถ้าเราประพฤติได้ สอนคนอื่นนั้นสามารถคือนนจะมีผู้เชื่อผู้เหลืยวใส่จะยินดีเป็นใจปฏิบัติตามเพราะทุกคนชอบความสุกแต่เพียงแต่สอนเดยตำรักํำราโดยลงปากของตัวแต่ตัวเองประพฤตชั่วเสียหายอยู่สุขง่ายๆก็เหมือนกันกับค น, คนโรคท่หนังเขาไปยาขายยาโรคท่หนังว่ายาของฉัน ยาของฉันตาแล้วหายเหมือนติดทิ้งแต่ตัวของเขาตากเป็นตัวติดเป็นตัวคนไหนเขาจะเชื่อว่ายาของเขาดีถ้ายาของเขาดีก็ต้องรักษาตัวของเขาให้เขาเป็นโรคติดตัวของเขาอยู่ถึงจะประกาศว่ายาดีขนาดไหนคนตื่สนใจมาเห็นเข้าเขาก็มัซื้อ เขาเข้าไรักษาตัวของเขาทำคำสั่งสอนของพระเจ้าไปเรื่อนกันพระพุทธเจ้าท่านสอนมนุษย์โดยจิตใจบริสุทธิ์สอนมนุษย์โดยความเห็ตาเปนุณาสอนมนุษย์ให้ละชั่วบังเทียดีอย่างไรตัวของท่านเองเคยประปฏิบัติมาแบบนั้นเป็นเยยี่อย่างอันดีงามเป็นครอเป็นศาธดาของโลกน่ะไม่มีอะไรที่จะชั่วเจ้าหายสําหรับ ของพระองค์ท่นานดังนั้นท่านจึงสอนมนุษย์ให้รับความสุขความสบายทางกายทางใจเป็นจํานวนมากไม่เหมือนครู อ, อาจารย์ฤทธะในสมัยปัจจุบันสอนแต่ปากแต่การกระเพื่อมปฏิบัติในเช่นอย่างนั้นสอนให้เขาละเขาสอนจากทางชั่วตัวเองกลับไปทําชั่วทําเสีย สอนไม่ให้โลกให้ตัวให้หลง้งท่าเอวตัว ย, ยิ่งเจ็บทางโลกทางตัวทางหลวงเมื่อต้นอย่างนั้นมันจะมีอะไรที่เป็นที่กระทับใจของเขาเขาจะได้มีนมุ่นท่าว่าสอนใจปากหือที่เป็นครูเป็นอาจารย์ควรจำลึกในข้อนินได้ไดีอย่าไปทำไปขุดในสิ่งนะ้ลูกเล็กเม็กแน่นักเรียน นักศึกษาเขาเกิดดีเหมือนมินาคืออาจารย์่นั้นตัวของเราเป็นเปี่ยงสำคัญที่ควรดัดแปลงแก่ไขเปี่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของใจศาสนาสอนที่เรื่องของใจใจคนนี้เป็นของสําคัญยิ่งกว่าเรื่องของกายกายถึงแต่เยสดงดงามลำเลืยขนาดไหนแต่ถ้าใจชั่วใจเสีย ร่างกายนั้ น, นก็ไม่คยมีความหมายอะไรสมบัติที่มีมากมายหลายหลวงตัวจะสุบหายไปหายใจเข้าชั่วเกเขียวชาจะนยัยเงสอนเข้าไปถึง่วนม้อ ง, งใจให้ไค่คิดเพื่อนี่เพื่อนาส่วนไดที่เป็นไปในทางเสียหายอยากไปทําไปพูดในสิ่งเหมือนนั้นถ้าหากท่านรักษาใจของตนให้่อคนจากอบาย ปากทางความชั่วต่างๆให้หมดไปคนนั้นถึงจะ ม, มีสมบัดอะไรจิตใจของเขาเเก็เยือกเย็นคนที่มีจิตใจเยืนเย็นมีอาจมีทําในตัว น, น้าจายิ่งแย่แกงใสมีความสุขอยู่ภายในไปแต่ฐานใดเป็นสุขโตไม่มีความคุกความเดือดร้อน ไปทำชั่วทำเสียทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์วาจากัพูดสิ่งที่ไม่มีโทษมีกรรมอะไรพูดไปเป็นคติเป็นพาสิทธิดกดชิดแต่เรื่องทางสู่สนละชั่วบำเพ็ญตนในทางดีสเสมอไปคนที่มีศาสนาประจําเป็นอย่างนี้มีความศุก อยู่ตลอดเวลาจะไปสถานที่ใดเป็นสุกขตัวทนะั้นเพราะในเนื้อสมนติติตนว่าทําชั่วคู่ชั่วคิด ช, ช, ชั่วอะไรใจเป็นเลือกจึงเป็นใจสะอาดใจเป็นธรรมหามสะอาดเป็นสิ่งจิตศาสตร์นาถ้าบ้านสะอาดวัดสะอาดก็น่าดูน่าอาศัยกายสะอาดก็มีความสุขพอสมควร เครื่องหุงสะอาดก็ไม่อับอายเขาไป่ถานที่ใดเขาทั้งคมได้ถ้าบ้านไม่สะอาดจิตทักพาใสไมนสะอาด จ, จะนัง่งจะนอนก็ไม่ะสะดวกสบายกายไม่ใใสะอาจจะะดอสกปรกก็เขาทั้งคนไม่ได้เพาอับอายเขาใจของเราที่ไม่มะสะอาดไม่ค่อวาจะคิดโดยเตือนใดรักษาแต่สิ่งภายนอกไมรักษาภายในใจนที่ไม่สะอาด กคือใจโลภไปโกรธใจหลงใจติดตัญงยาอารมณ์ใจไม่สงบไม่สะดวกสบายคิดอ่านอะไรก็เป็นไปในทางขวดทางเสียฉะนั้นเรื่องของใจที่ใจสะอาดได้ก็อาศัยการชีวิตารณาอาศัยการชาระเหมือนกันกับเรื่องภายนอกชาระด้ยวยอะไรชาระด้ยวยองอัดเบียดท ที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนสติรักษาคิดกลมอะไรไม่เพลิดสติว่ากลุ่มที่เรา ตัวด้า จังท่านเลเหลงไหลไปตามบนปากของเขาเขาไม่รู้เท่าเขาไม่เข้เขาใจเรื่องที่เป็นผู้เห็นอยู่ในตัวของตัวเราเองเขาจึงได้หนมิม่นทารอย่างนั้นนิ่งหมายถึงท่านผู้บุกเพืพ่อปฏิบัติถึงอาจทำจริงจังแต่ลมปากก็เป็นสิ่งสดียคัญจิตใจบางคนมีทางเั่วไปมากป่วนไหวมากเแข่งไหลมาเหอกันในเรื่องลมปาก ป่เป็นสิง่งหงสคัญท่านที่มากป่าเป็นเอตเดชจนโทเพราะใจ ย, ยังไม่ถึงอัดทำย่อมหวั่นไหวใจถึงอัดทำแล้วพระพุเจ้าท่านประพฤติดีทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติดีทาทงทกาย ท, งทางวจาทางใจทั้งทานมีคนถือมีจิตเล็กหนาปัญญาอยากอิจฉาไม่อยาก เคยนั้นแต่ฐานสีเคยมีดู ด, ดาา่าว่าเจ้าพระพุทธเจ้าจ่างเข้ามาดา่าจ่างเข้ามาว่าต่างๆนานาก็เคยวนมาเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าจะเคยหวั่นไหวพอเขาพูดเป็นลมปากของเขาเราเป็นย่างไรตราบดีในตัวเขาขเขาองค์ท่านดันั้นท่านจึงไม่หวั่นไหวแต่พวกเราทั่วไปในเป็นด่างนะั้นลมปากเกิดขึ้นด่างไรไมาอยากจะติดลมปากเข้าไปแค่ที่ เข่าหูเลือพูดออกมันก็ดับไปพูดอะไรมันก็ดับไปแต่ทพิจารณาได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นยึดเอาไว้ถือเอาไว้เดี๋ยวัญญาเข้าถึงใจทั้งตนว่าเขาบนเขาว่าเขาด่าเขาใจต่าทําำจิทางใจทั้งตนให้เดือดร้อนวันไหวในตามลมปะให้ใาไปลมปากดับไปพอเขาพูดมันก็ดับเพราเขาพูดมันก็ดับในวันนี้ว่าเสียง ว่ากลิ่นารกสัมผัสในโลกอันนี้มันมีการเกิดขึ้นและแปรเลี่ยนแตกสลายทั่วไปหมดไม่มีอะไรที่จะเหลือหลอดอยู่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นกรนี้ที่อยู่ที่อาศัยนี่ก็จะฟองเฟินกันขึ้นไม่มีที่พักพายอาศัยไว่าสัตว์ไมว่ามนุษย์ถ้าเกิดในตายแล้วก็ไม่จะเกิดตายอย่างนี้นั่นกรณีที่อยู่ที่อาศัย ขับข้างแมงงน่นกันเลยหมดทั้งโลกเสียงตึงน้อนกันหากมันไม่ดับไปเสียงที่เราได้ยินได้ฟังเสียงบางสิ่งบางอย่างมันก็ดังขึ้นเจ้าหูจะแตกถ้ามันดังมีอย่างนั้นนังคานั้นคานี้เพื่อนก็มีปุ่นขึ้นยื้ไม่ได้อบแตกตายมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาก็ดับไปมี่ ค, ครื่องใจในหูมีอักเสบทำที่ไม่ได้เจอนาตามความกินของมันปล่อยวางได้ตามสภาพ ท, ท่านจึงไม่หวั่นไหวไม่เอียงเอียงไปตามเนิลมปากของคนหน้าทีออ่งคงตรงควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะให้ใ จ, งจงใองตรงวแจัยแทงตลอดเพื่อจะให้ใจคงตรงสงบระงับดับที่เหร่พระบบพุทธเจ้าเมื่อสอนให้มนุษย์ทั่วไปศึกษาพิจนารณาอย่างนั้นเพื่อไปศึกษาพิจนารณาอย่างนั้นจิตใจต้องทั้งเห็นความสงบสงัดปฏิบัติถึงอาจถึงธรร เห็นความสว่างสวัยววเห็นความเบายจเบาใจาเห็นความหลุดไปจากทนี้ซึ่งม่มีเรื่องอะไรที่จะน่าสงสัยเรื่อันนี้เราไคยเกิดมามันเคมีอย่อย่างนี้เราตายไปแล้วมันเคมีอย่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าวสุดขัดตุนอกจากจิตของตนที่ลนนื่นลืเกี่ยวข้อกเถอะนะดังนั้นการประเป็ปฏิบัติเรื่องของใจเป็นเรื่องสำคัญถ้าใจดีเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมด เขาจะทําอากาศจินยาด่าว่าอย่างไรใจเราดีไม่มีอะไรที่จะไปติดข้อในสิ่งเหล่านั้นมันสะดวกมันสบายใจใจเราไม่ดีใจเราชั้วเราเสียเป็นอะไรไม่ก็ไม่ดีในยินอะไรไม่ก็ไม่ดีการฝึกใจจึเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราทุกท่านควรฝึกควรรักษาคนรที่มองข้ามเรื่องของใจ รับควา ม, มสป็นุกัศจความสบายใจในเพราะเรื่องวัตถุ สิบินสิบดอนที่เราไปดูเขาเป็นจเจ้าของนาเ่อะแต่เขาเอาไปไหนได้เนี่ยกระดูกของเขาเขาก็เอาไปไหนได้อะไรเราติดตัวของเร า, เาไปทางศาสนาขันสอนว่าบุกกรรมที่เราทํามาทํากรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วเอื่องเหล่านี้ถ้ากในพิจารณาเป็นธรรมก็อาจจะถือว่าขัานสอนไม่มีสาระควรทําชั่ว ได้ดีทั้งไปทั้งทำดีมีคนไม่มีทางงับไม่ได้ทำดีไม่ไดีดีทำเชื่อไม่ได้ชื่วเรียเมาเอาอย่างนั้นมีความไม่เด็สจำเนึกไม่เด็ดที่วิจารณ์นะละเอียดละอว่าผุไปในในที่เรียกว่าบุญบาปมีเพราะใจไม่เคยสงบระงับใจไมนเคยฝึกปฏิบัติถึงอาจถึงทาให้ เกิดสงสัยคนนั้นพูดเราก็พูดตามเขาไปก็เชื่อตามลงปากสันนัตแต่เหตุผลจริงจังเป็นอย่างไรไม่เข้าใจก็เลยเกิดสงสัยลังเลไม่อยากประพูดดีประพูดไปอย่างไรก็ไม่มีอะไรพอคนตายไปไม่มีใครมาบอกว่าเขาไปเกิดดีมีสุขเขาไปตกทุกข์ใน้ย่างห้ความสงสัยโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้น แต่แปรใช่ไหมัยปัจจุบันทุกวันนี้สมัยพุทธกาลก็เคยมีเรื่องเหล่านี้ตายแล้วดับตายแล้วสูงตายแล้วเคยเกิดเป็นอะไรได้เกิดเป็นอย่างนั้นมีความเข้าใจในสมัยนะั้นเคยมีสมั ย, น, ยนี้ก็ยังมีความคิดเป็นอย่างนั้นเพราะมันเรื่องเจริญนาแยกหายจริงจังหากคนเชื่ออย่างนั้นทางศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิเป็นบาปเป็นกรรม อาจจะมาทำไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตายแล้วถึงเราจะทําอะไรก็ทํา ไ, ได้ได้นะไม่มีบาปไม่มีกรรมติดตืม ต, ตามตัวไปข้างหน้าเพราะจะเรียนียนเรียนกฎหมายไม่ใช่หน้าที่จับกลุ่มเท่านั้นจะทําอะไรก็ทําไปตามชอบใจของตัวคือไม่มีความละอายใจไม่มีอุปสกรตัวต่อบาปต่อกรรมที่ตัวทําไปพคนแบบนั้น กีจำนวนมากเท่าไรก็จะก่อความเดือด ร, ร้อนยินวายให้แก่โรกเท่านั้นอย่าติดใจของตัวเอง เ, อเอมื่อเป็นอย่างนั้นก่อนนับวันที่จะห่างไกลจากความจริงไปไม่มีความสงบเย็น ใ, น, ในใจได้สานมาถุจิตหา้าจีตมีดามานดาเลือดหิวขึ้อุจการะคุณอย่างสะดวกสบายก็ต า, ายไปแล้วขึ้นตายไปแล้ว เคเกิดเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะความเชื่อมากนอย่างนั้นเป็นทางผิดไม่ใช่ทางดีทางวเิเศษอะไรความเชื่อคงใจอย่างนั้นเพราะไม่ได้ไข่คิดที่ททนพิจารณาหลักธรรมะจริงจังหากคนมีธรรมะอย่างรู้ที่ไมพิจารณายังเหตุผลว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคนตายไปไม่มีอะไรสีจะติดตัวตามนไปอาศัยทํา ที่ทาไว้เท่านั้นเพอนี้ทางหาพิจารณากันก็พอจะทราบได้แต่มันตกปิดลึกลับสําหรับคนที่มีจิเต劣ตัญ ห, หาทางหาพิจารณาก็ไม่เห็นวิสัยจะเห็นว่าเข้าใจในสิ่งเหมนนั้นนะตามเป็นจริงเพราะพวกคนตายไปไหลนาเกีย่ยวขวนอะไรเข้าก็มาเด็กเอาติดตนตามตัวไปทําดีทําช่วยไว้ก็มีแต่ คือเสียงของเขายังเละอยู่เท่านั้นตัวของเขาไปอย่างไรเป็นอย่างไรนั้นเหตุผลที่จะไม่เชื่อว่ามีบาปมีหรือว่าบาปไม่มีนั้นเป็นเรื่องคนหาดการทีนี้ที่จาไหนนบาปยังมีบุญยังมีธรรมยังได้ดีทํามเชื่อจะไหนเช เตเย็นเยร้อนคำทุกอย่างคือจะทำเพื่อให้มีความสุขความสบายตายเหมืนกันเกิดเหมืนกันมนุษย์เราแล้วเมื่อเกิดได้ไหมถ้าหากกรรมเด่นบันดาลให้าเลื่มเกิดได้ใครเราอยากจะได้เกิดไหมทุกอย่ากลาบาก เด่นชัดสอนคลต้องการอัดไทยอะไรตั้งใจสอนดีเด็ดดูผลสุกเลจะต้องดัดเชื่าคสอนความรู้เท่จ้ามีความสุขความสบายเพราะถสอนในละชื่อบางเพนดีคนที่เชื่อฟังแต่ละชั่วบางเพนดีเอไปเป็นปิดใจได้รับความสุข ความสบายมีอย่างคำสอนของพุทธเจ้าคือนับพระศาสนาจึงควรที่ไมพิจารณาวาเรานับพระศาสนาได้อะไรจากศาสนาเข้าใจศาสนาจึงจำวิญญาณวหารถือแต่ใจเริ่มปักอย่างของศาสนาจึงจำคำสอนอย่างไร คนที่จศึกษาทพิธีกรรมมาหาความรู้เอาไว้เพราะคนที่มีความรู้ในด้านขงศรณาปรนะพฤติตัวถูกต้องในเรื่องธรรมะคนนั้นถึงจะไม่มีวิชาความรู้ด้านอื่นก็าตามคนนั้นไปจัดฐานที่ใดจะไม่อดอยากอยากจนเพราะทำรับรองเลยว่า ทำามหะเลี้ยลัทธิธรรมละใจทำรักษาฝึกวิบรรมถึงจะไน่มีอาวุธยึดโทประการอะไรไปอยู่ตามป่าตามเขาแทนที่สัตว์ร้ายต่างๆจะมากัดมากินมาทำร้ายก็ได้เป็นไปเพราใจของท่านเข้าทิ้งทำทำรักษาท่านแทนที่จะอดอยากอยากจนเพราะการไม่ก่อสั่ง ไม่แต่ทำไม่นี้ชาความรู้อะไรแต่ตก็พอเป็นไปมีผู้เลี้ยงใยยินดีที่จะบริจาคให้นี่คือเรื่มีธรรมประจําตัวทํารักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ตกไปในที่ชูดมีสถานที่ใดมีกายใจสงบมีกายใจสบายไม่ยุ่งวายกังวลไม่เยุ่งใส่สั่งทำคำสั่งองของพระเจ้า ควรเสนใจควรประพฤติควรปฏิบัติเพื ร, รักษาถ้าหากประพฤติปฏิบัติได้ตัวของเราเองจะมีความสุขล้ำค่าม่นมีความสุขในที่แต่สุขเท่ากับใจถึงธรรมใจถึงธรรมเป็นความสุขอันแเสรต อยู่ถี่ถีจงจังแล้วอยู่ในสถานที่ใดไม่ต้องไปอ้างอิงเชิงอาศัยเรื่องภายนอกท่านสุกอยู่แล้วท่านสมาอยู่แล้วท่านไปเสริกอยู่แล้วพระพุทเจ้าก็เลยอาศัยตารสาหลักไวงเป็นที่อยู่ที่อาศัยทั้งที่เคยอาศัยมาก่อนไม่ใช่เป็นอุดยานอย่างเดิมอย่างพวกเราท่านเป็นเกษตรมีการสารสามหลังเปนที่พักที่อาศัยที่ประทับ ดูดเลยดูหนาวเลดูร้อนท่านที่อยู่ของท่านดูดูฝนไปอยปาสาลังหนึ่งดูดนาวไปอยู่ปาสารังหนึ่งดูร้อนไปอยู่ปาสารังหนึ่งคือดูเดือดไปดกสบานไปอยู่ในดูดูฝนก็ไอฝนไปคอยขอไปถึงดูด่างูุอย่างสบายดูในดูดูหนาวขอความนาวนึ่ง อยู่ในวิวัฒนากาขอความว่างใ่เข้าไปเกี่ยวขอ้องสูกถึงใช่ไมปัจจุบันกลุ่มบานที่ปราบอาจะได้ดีที่ด่ที่อาศัยของท่านสดวกสบายอย่างนั้นการมันทงหรือการประทับหรือการสเสน่ในเมื่อท่านเป็นกษตรก็สะบวกสบายท้กอย่างทางกายของท่าน ชานทั่วไปเ่อสายรทาให้ท่านอยู่อย่างสง่าาเพยปกครองไฟฟ้าประชาชนทั่วไปทางกายมีสุกสะดวกสบายมากแต่ท่านก็เป็นทุกข์เพราะเป็นผีหลับผีด่ดบังคับแก่เจ็บกายในดั่ะทั้งตัวเราเองและคนอื่นทางใ ดองครับท่าเนเป็นอ้ไรปากเนะ ในพระ้ายจะไม่เอ็นย่างนั้นจึงจะเด็กออกซึ่งข้ามบันทุตาเมื่อท่านไปดูปากจะทความถาความเพียนในต้องอาศัยราษารลากสวัาง อยากจะให้หายอยากจะให้ดีในหินดู้วหินวายใ้ขัดขอ้อถ้าาใจในตำราสาสางโดยอัดคำคำสอนของพระพูทไปจาาตัวที่ปฏิบัติตัวเคยรู้ทั่วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีทางเป้นใส จ, จะดีจะไปดีเใจเสนอกันคุ้ขค่าจาละอะไรที่เราปรารถนาเราต้อการ เราได้เห็นได้เป็นแล้วในตัวของเราไปยูไปเือนตู้แสนตู้อะไรที่จะมีเพื่อจีก็มันมีแล้วเข้าใจไระจัดชัดเจนสิ่งที่คนละคนบำเพ็นจีอะไรเราได้ละในบำเพในจิตในใจของเราแล้วไมนมีอะไรต้องใสยใจทานทีสงบใจทานทีสงบสบายมีความสุขตลอดเวลาทั้งตาทั้งมีชีวิตจิตนี่คือจิต ทื่สุดฝนอบรมถึงที่สุดมีความสุขมีความปลอยเสริฐขนาดนั้นไม่มีใครสี่จะมาอบรมใจให้เรานอกจากเราจะอบรมเองนอกจากเราจะแต่ทําเองแต่นั้นขอทุกท่านจงหมัน่นคิดวิจัยนาชำระใจของตนถือว่าการสำระที่เหลืปัญหาสำระใจเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่น และเป็นเรื่างจำเป็นยิ่งกว่าทุกสิ่นงทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือเรื่องเป็นไม่จำเป็นเท่ากันกับการประพฤติปฏิบัติใจของตนให้สงบระงับหากทุกความสนใจรักษาเอาไว้ด้วยเสด็จมีปัญญาแน่สอนตนให้ประพฤติปฏิบัติทางเลี้ยชั่วเสนอไประวังจิตใจไม่สายแสโดยตาม อาเรณ์สัญญาที่เหนือปัญหาต่างๆคนนั่นแหละจะมีทางสงบคนนั่นแหละจะพ้นทุกข์จงพากันหมั่นที่จะเรณาศึกษาปเพื่อปฏิบัติกายวิจายใจคงตนเพราะยังไม่สายเกินควรพอที่จะพึ่ปฏิบัติได้หากเรามองข้ามบาราสัญญาสัญญาจี่ของพระของเมย์เป็นนาที่ของผู้อื่น เดี่ยวตัวของเราเองเหนื่อยสันใจต่อยให้ไปเป็นใหญออื่นที่หาของคนอื่นเขาช่วก็เสียเราจะเลช่วยเดียเสี้ไปตามเขาเขาถูกเขาสบายเราก็เลยสุขสบายตามเขา้าเราถือว่าตัวของเราเป็นเหญ่ซําคัญกว่าคนอื่นอบพวงที่จะต่อพื้นตะกีบตัวของตัวหลาย้อบกพร่ดีใครมีความสงก เป็นจุดจิตผู้ใจเจ้าเป็นแม่สอนศาสนาพุทธุทธะคือผู้เผยลุ้ดีชั่วผุดถูกอยากละเอียดในตัวของตัวพุทธะคือผู้ตูนให้ตูนจากความชั่วอยากไปหลับหนลงในทางชั่วทางเสียทางไม่ดีพุทธะคือผู้เบิกบานให้จิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส อยู่ตลอดเวลาอย่าให้เหนื่อแห้งพดหิวเดือร้อนหนึ่งวันนี่คือพุกข์ภายในที่ทุกคนผู้ปฏิบัติจะได้เห็นเกินขึ้นในตัวของตัวผู้เพิ่มเติมใจนำธรรมะที่รระพุทธเจ้ามาศึกษามาที่เจริามาปฏิบัติคนเหมือนั้นเขจะมีความสุขความสงบสงัด คามสะดกสบายในใจของตนฉะนั้นขอทุกคนเดีนยวนไปที่นีที่เกนะการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอทุงควรีเวลาเขจะจีบเียงนี้